ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลพระโพธิธญาณได้นำเสนอพระพุทธคุณบทวพุทธโธมาถึงในยะที่สี่วันนี้จะพูดถึงในยะที่ห้าที่ท่านแปลว่าพุทธโธแปลว่าสสรูอรียสัตว์ทั้งสี่ด้วยโปรงเองโดยไม่มีใครบอกกล่าว จริงความหมายตรงนี้ก็ตรงกับควาว่าสมาสมุทโทธนั่นเองการจัดสรุ้เป็นความรู้ที่พิเศษคือมันผุดขึ้นภายในพระไทยของพระพุทธเจ้าในสิ่งที่พระองค์ไม่เคยได้สะดับสับฟังมาเลยในการก่อนในข้อนี้ดังที่รับสั่งเล่าแก่ ระปัญจวัคคีในข่าวปฐมเทศนาทรงเรียกสิ่งที่ทำให้ความรู้พุดขึ้นว่าจะขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างซึ่งแต่ละคำนะครับหมายถึงตัววิชาหรือตัวยานนั่นเองแต่ว่าเป็นการสื่อสารในครั้งแรกก็พูดจากัน ก็ต้องใช้คาหลายๆคำเพื่อสามารถสื่อสารได้เพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงและธรรมะนั้นไม่มีชื่อนะสมมติว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นฝรัง่งชื่อธรรมะก็คงเรียกเป็นฝรัง่งภาษาฝรั่งไปพระเจ้าเป็นไทยชื่อธรรมะก็คงเรียกเป็นไทยไปแต่พอดีพระพุทธเจ้าเป็นอารยานันภาษาก็เรียกโดยภาษาบาลีบ้างภาษาสันสกตบ้าง แต่มันจะเหมือนกันโดยเนื้อหาสาระไม่จะแตกต่างกันในด้านภาษาเพราะว่าเนื้อหาสาระนั้นคือสัจธรรมหรือสัจภ า, าวะที่พระพุทธเจ้าได้สรงสัสรูพระเจ้าอาง์ในสัจสรูก็เข้าถึงสัสจจะตรงนั้นชื่อนั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่พอพูดถึงเนื้อหาคล้ายๆกับ ความแก่ความเจ็บความตายเนฮะมันเป็นสภาวะมันเกิดขึ้นแก่ใครแก่สิ่งอะไรแก่คนแก่สัตว์แก่สิ่งนะะมันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าสิ่งไม่มีชีวิตท่านเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งมีชีวิตท่านเรียกว่าเกิดแก่ตายหรือพูดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเวนาตานะความหมายก็เป็นนัยเดียวกัน เพราะการสัสรุนั้นก็เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรถ้าเราเรียงลำดับว่าไม่ใช่ริ่งๆจะได้สัสรุปบนเส้นทางของการสแสวงหานั้นก็มีลองผิดลองถูกอยู่เป็นนั้นมากแต่หลังจากทรงบำเพ็ญทุกรกรรยาทรมานพบวรากายแบบประยุกนะฮะคือถ้าเราสังเกตดูแล้วเนี่ยถ้าไปดูในที่อื่นเนี่ย ว, วิธีตรงนี้เราไม่พบในที่อื่นก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านำมาประยุกเอาจากวิธีการที่เคยทดลองแล้วก็รับสั่งเล่าไว้ในมหาเสีนาจะสุดนั้นน่ากลัวเลยนะฮะกวาระแรกก็เอาฟันกับฟันมากดกันแล้วลิ้นไปดันเพดานไป อาการอย่างนี้ก็ต้องปวดหัวปวดท้องปวดไปหมดนะทั้งตัวจากนั้นก็ส่งผ่อนกลั้นลมหายใจเข้าออกอั้นลมมาไวเนี่ยอั้นจนสุด ๆ, ๆเลยจนบางทีก็ออกลมมันออกทางหูอู้อู้อูอูเลยมันก็ปวนปวดประเสียนเสียดผูทรร้อนในภาวนกายเป็นกําลังจนเรียกว่ามันไม่มีใครตามได้เกิด น, นั่นแล้ว การทำเกินนั้นก็คือตายจากนั้นก็ทรงเปลี่ยนเป็นอดพระกายานอดอดอดจนไม่ได้เสวยอะไรเลยก็เรียกว่าเสวยแต่ที่จริงก็คือไม่เสวยเส้นออกมาเล็กข้าวมาเนี่ยเข้ามาผ่าเป็นสีส่วนแล้วก็เสวยก็ไปหนึ่งส่วนเนี่ยเนี่ยที่จริงไม่ลงไปที่ท้องเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จน พระอาทินี่ปรากฏทั่วพระวรากายพราเลมโรมาผมแอบขนนี่นนก็หลุดร่วงโอ้ประหัตไปรูปตรงไหนก็ขนก็ร่วงมาเลยเราลองนึกดูภาพนะฮะว่ารอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดในที่สุดก็ทรงเห็นว่าแบบทรมานพระวรากายอย่างนี้ไม่มีใครจะทาได้เกิด น, นานั้นแล้วในสุดก็ท่ง พิจารณาทบทวนเรื่องอดีตทั้งหมดคือตั้งแต่สมัยทรงพระเยาว์ระชนภรรษาแค่เจ็ดขวบโปรงเคยเจริญสมาธิได้รูปฌานนะได้ปฐมฌานโดยระยะเวลาสั้นๆได้ฌานก็ได้สั้นๆแต่อย่าลืมว่าพวกนี้มันจะอยู่ภายในใจมันแกล้ๆกับภาษาเช่นสมมติว่าเราอยู่ท้องถิ่น เราเป็นคนไทยเนี่ยฮะเราเป็นคนไทยเราก็พูดภาษาไทยมาอายุประมาณสักสิบขวบอย่างเงี้ยเราไปอยู่ต่างประเทศอยู่สักยี่สิบปีก็ได้นะฮะแต่ภาษามันก็ยังอยู่มันอาจจะลืมไปบ้างพลาดพลาดพลาดไปบ้างแต่มันก็ยังอยู่รบกวนนิดหน่อยมันก็พูดได้แหละผลผลที่เกิดขึ้นในทางจิตของบุคคลเนี่ยคือถ้าเป็นผลสัมผัสแล้วเนี่ย ส่วนหนึ่งเขามีเชื่ออยู่ภายในจิตมันอาจจะตกตะกอนจิตนะแต่ว่าแบบบารมีแบบความดีพอถึงจุดหนึ่งเมื่อต้องการจะรื้อฟื้นขึ้ น, นมาเนี่ยก็ทำได้แล้วก็พูดถึงพวกฌานที่พระองค์ได้บรรลุในสำนักของอาจารย์ทั้งสองคือสำนักอาลาดาบตกาลามโคตอุตกดาบตรามาบุตรก็รรเอาเฉพาะสี่ข้อแรกเรียก ว, ว่ารูปฌานสี่ ก็จิตสงบนะเพราะว่าจิตในช่วงนั้นมันก็มีเฉพาะสุขกับเอกาคตาไม่ใช่อุเบกขากับเอกัคตาอุเบกขาเป็นลักษณะของปัญญาที่พร้อมจะเพ่งพินิจแล้วก็ปรับจิตขึ้นสู่พระไกลักษณ์จนสามารถถ่ายถอนตานามานาเอาไปได้แต่เวลาทรงอธิบายเนี่ยทรงอธิบายว่า เรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้ความรู้งก็ผุดขึ้นเป็นการอธิบายลำดับญาณญาณสามประการญาณข้อแรกก็คือปุเพนิวาสานุติญาณส่งย้อนระลึกชาติในอดีตแต่การนานไกลจนเรียกว่าก็นับไปหวั่นไ่ไหวมันไม่มีตัวเลขนับไปนะ ก็หมุนวนอยู่ในสังสารวัตท่องเที่ยวไปในสังสารวัตจะต้องเข้าใจนะฮะไม่ใช่เกิดโลกนี้โลกเดียวไปเกิดไปกี่โลกก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรแล้วก็เมื่อเห็นความแตกต่างของคนของสัตว์ซึ่งไม่เหมือนกันก็ทำให้ปรารถนาที่จะรู้ว่าทำไมคนจึงแตกต่างกัน ญาณมาเกิดผุดขึ้นหรือให้คำตอบไอ้ตัวจิตเนี่ยถ้าเราจเจริญสมาธิไปจงลึกๆนะฮะพอความสงสัยอะไรมันเกิดแล้วจิตมันจะตอบให้เองคล้ายๆกับจิตตอบจิตมันก็ตอบให้เองบอกให้เองพราวก็ทำให้รู้ว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะกรรมที่คนก็ททำไว้ไม่เหมือนกัน คือความเป็นพุทธศาสนิกชนความเชื่อสองตรงเนี้ยสองข้อเนี้ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากคือถ้าเราแกล้งในประเด็นตรงนี้แล้วก็ยากที่จะหนักแน่นมั่นคงในาศาสนาเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีปัญญาจะพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงแนวตรงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยคนที่รู้เนี่ยคือท่านที่สัจสรุเป็นคนแรกนะ ผู้เจ้าก็ได้จัสรูพระหันเองก็รู้ได้ยางนะเพรา ะ, ะมันไม่มีใครสามารถระลึกชาติก่อนได้ด้วยวิธีการอย่างอื่นนอกจากพัฒนาการทางจิตมาจนบรรลุญาณแม้ในปัจจุบันจะมีความรู้ชาติปางก่อนโดยการตายแบบกระทันหันการสะกดจิต มันก็ถือว่าเป็นการรู้ที่ไม่ปฏิปะต่อเท่าไรหรอกแต่ถ้าจะให้รู้ระดับสูงขึ้นไปก็ต้องเป็นอภิญญาในอภิญญานั้นพวกนักบวชนอกาศาสนาเขาก็ทำได้นะก็ลึกได้ก็ น, นับเป็นเยอะเหมือนกันตรงนี้มันเป็นฐานสำคัญในการครองชีวิตของบุคคลรือถ้าเราเทียบเคียงธรรมะที่ ปรากฏในพระไตรปิฎกนะพวกโลกภยธรรมนั้นจะมากมากก็เรียกว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนมากจะเป็นโลกภยธรรมแต่วางลองสังเกตรอริยสัจสี่เนี่ยยาวนะเวลาย่อยอริยสัจสี่สมมุติว่าจะเขียนอธิบายอริยสัจออกไปให้วิจิตพิสดาเนี่ยนะเป็นหนังสือขนาดใหญ่นะถามว่า สักพันห้าร้อยถึงสองพันหน้าเนี่ยจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะอาริยสัจสี่มันคลุมหมดคลุมพระไตรปิฎกทั้งหมดไว้ในอริยสัจสี่ดาการศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจในอริยสัจสี่มันก็ต้องเข้าถึงเนื้อหาของเรื่องเหล่านั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือต้องเข้าถึงเนื้อหาโดยการสรุปคือการบรรลุมรคผลนเพราะอะไรเพราะว่าในแนวของปริยัติจริงๆเนี่ยเราก็รู้นะคว่ากิเลสมันไม่ดีตัณหามันก็ไม่ดีการมาตัณหาก็ไม่ดีเพราะว่าตัฒนาก็ไม่ดีวิวัฒนาก็ไม่ดีแต่ก็จริงมันก็เป็นนายเหนือใจคนมันไปพวกควบคุมบงการสั่งการให้คนเกิดความสับสนเกิดความแปรผันไปตาม แรงผลักดันของกิเลสตัณหาเราดันดังนั้นคนที่จะหลุดรอดจากเรื่องเหล่านี้ได้จริงๆมันก็ต้องไปทำลายอาส ว, วัคอาสวัยานคือเกิดบรรลุอาสวัคย า, ยานเจี๋ควคนที่ทำได้ระดับนี้นะฮะที่ปฏิบัติไปได้มาถึงจุดอาสวัคยายานเนี่ย มันจะมีจำนวนน้อยนิดมันเป็นยอดแหลมก็จะดีแต่นั้นเองะวาสวะแม้จะมีสามข้อก็จริงแลหละแม่แต่ว่าเรื่องใหญ่เล็กกามาสวะอย่างเดียวก็สาหัสสาการแล้วนะจะสู้กับกามาสวะอย่างเดียวแต่พระพุทธเจ้าท่านทำลายได้หมดเพราะในเรื่องนั้นเนี่ยถ้าเราจับประเด็นของความเชื่อไว้เนี่ยเชื่อพระญาณของพระพุทธเจ้า ผู้เจ้าเป็นผู้นเคราะห์โลกเป็นโลกานกรรมประกะคือผู้นกเคราะห์โลกสรงสมบูรณ์ในปัญญาคุณบริสุทธิ์คุณมหาคุณนาคุณอย่างแท้จริงแล้วก็เชื่อผู้เจ้าบอกมีนรกมีสวรรค์มีนี่พานมีอะไรที่จริงเราก็ไม่ได้สัมผัสหรอกแต่เราเชื่อทําให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยกลัวบาปรังเกียจบาปแล้วก็พอใจที่จะทําความดี จิตมันจะมีหลักเพราะฉะนั้นเมื่อเรากล่าวถึงความเชื่อเราสังเกตนะท่านจะใช้ความเชื่อในเรื่องกฎของกรรมคือเจตนาที่บึกบังเกิดขึ้นภายในจิตเราแล้วก็เป็นในที่เราทําเราพูดเราคิดเนี่ยเจตนาดีหรือไม่ดีเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าก่อให้เกิดการทําการพูดการคิดตัวนี้ก็เป็นกรรมถ้าคิดดีทดําดีพูดดีก็เรียกกุศทรกรรมถ้าคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วก็เรียกกุศทรกรรม แต่มันออกมาในสามทางเขาเรียกว่าสุจริตทุจริตแปลว่าประพฤติดีหรือประพฤติชั่วซึงหลักการสาคัญในความเป็นพุทธเนี่ยบางครั้งส่งแสดงโดยสรุปเช่นว่าทำมังเจเรสุจริตตางนั่นังทุจริตต่างเจเรบุคคลพึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตอย่าประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตนี่ก็เป็นหลักประจับตัวนี้เราเชื่อตามพุทธว่า มันก็ทำให้ภูมิธรรมภูมิจิตเนี่ยมันมีความประณีตขึ้นสูงขึ้นสงบขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยการ ป, รปฏิบัติของเราก็จะดำเนินไปตามหลักอริยสัจทั้งสี่ประการตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสัจรู้และสรงสแสดงไว้ทีนี้ช่วงสัรสรู้เนี่ย ส่งแสดงว่าจักขยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่พระองค์ในสิ่งที่พระองค์ไม่เคยสดับมาเลยในการก่อนก็เป็นความรู้ในอริยสัจแต่ละข้อเนะี่ยสามยานเรียบเรียงโดยสรุปนะะเวลาที่หลังเนี่ยเขาจะทรงจะแสดงมารูปเรียบเรียงหมายความจะเกิดสัจจยานคือรู้สถานะที่แท้จริงของอริยสัจแต่ละข้อว่าอะไรเป็นอะไร รู้ว่านีพคือทุกนี่คือเหตุเกิดแห่งทุกนี่คือความดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกแล้วยานก็เกิดผุดขึ้นตรงนี้เรียกว่ากิจจยานคือรู้ภารากิจที่จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นก็รู้ว่าทุกข์เนี่ยต้องทําใจยอมรับความจริงก็เรียกําหนดรู้รู้มันเป็นอย่างนั้นเองธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้หรอก คือเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นผลลักษณะของผลเนี่ยคล้ายๆกับเราปลูกอะไรปลูกดอกอุจจาระปลูกกออุจะพิษไปแล้วเราจะไม่ให้มีกลิ่นเหม็นของดอกอุจะพิษอย่างนี้มันไม่ได้คือถ้าไม่ให้มีกลิ่นเหม็นของดอกอุจะพิษก็ต้องไม่ปลูกกา อ, อุจพารเพิษพกออุจจาระพิษเป็นเหตุให้เกิดดอกอุจะพิษดอกอุจะพิษ นั่นเองเป็นเหตุได้กลิ่นมันเหม็นวันก่อนไปบรรยายที่ในถ้ำที่จังหวัดระยองที่กิ่งชะเมามันได้กลิ่นกลิ่นเหมือนกับหนูตายไปแต่บรรยายอบรมนักเรียนในร้อยด้วยนะ <c oughs> เขาก็ไม่เคยได้กลิ่นอย่างนั้นมาเองเก็ไม่เคยได้กลิ่นอย่างนั้น โอสึ่ออึดอัดก็พยายามทนไปก็พูดเป็นยังจบทาไปทามาปรากฏว่าเป็นกลิ่นดอกเรียกดอกบุกหรือดอกอะไรเหม็นดูเดือดจริงๆแล่ยังนึกสงสัยว่าเออปลูกไว้ทำอะไรเพราะกลินมันทารุณนเกเกินแต่เมื่อปลูกแล้วเราก็ไปเส็จกลีดนไม่ได้ ศา ส, สนาตพุทธนั้นเป็นศาสนาแห่งเหตุผลในความเป็นอริยสัจเนี่ยมันเป็นความเป็นเหตุผลคือสมุทัยกับมรรคนเป็นเหตุทุกข์กับ น, นิโรดนั้นเป็นผลแต่ว่ามันเป็นการปรากฏของเหตุผลคนล่าชุด ก, กันกระหมายความมาทุกข์กับนิโรดน่ะเอ๊ะไม่ใช่เอ อ, อริยมรรคนิโรดนี่ปรากฏร่วมกัน สมุทัยกับทุกนี่ปรากฏรวมกันเพราะงั้นเมื่ออริยมรรคกับนิโรธเขาปรากฏร่วมเนี่ยทุกขกสมุทัยก็ไม่มีไม่ปรากฏอย่างน้อยก็ถูกสยบไว้หรือก็ดับไปได้ระดับหนึ่งมันก็ทาให้เห็นว่ากิตที่เราจะต้องทำเนี่ยทุกข์ก็คือยอมรับความจริงของมันถือในงแง่คติธรรมดาอย่างเดียวเนี่ยจะหายปัญหาไปเยอะ แกมืันก็แกทํายังไงเกิดนานแล้วก็ต้องแก่เจ็บก็เป็นเรื่องธรรมดาตัวเจ็บเข้าโรงพยาบาลมันก็มีสองอย่างไม่หายก็ตายคือไม่ต้องไปคิดอะไรมากพอนอนบนเตียงโรงพยาบาลปั๊บก็เตรียมใจไว้ห้าสิบห้าสิบคนป่วยก็ต้องเตรียมใจห้าสิบห้าสิบไปคนตายก็ต้องเตรียมใจห้าสิบห้าสิบไปคือถ้าบางรูปเนี่ยเคยพบนะขนาดท่านเดินทาง่ะ ถ้าเดินทางก็ไปที่หนึ่งถึงที่หนึ่งเนี่ยท่านทําไปรูปเป็นนายกรรมไปเลยเขียนไปรูปเป็นไายกรรมไว้แต่ว่าอาตมาเองไม่ไม่ค่อยสนใจเรื่องอย่างนั้นนะคือว่าในแง่ของวินัยเนี่ยทรัพย์สมบัติอะไรของเราเข้าของก็เราทั้งหมดเนี่ยพอเราตายปั๊บมันเป็นของวัดทันทีหรือต้องการให้เป็นอย่างนั้นมากป่าที่จะไปเขียนเป็นนายกงเป็นไายกรรมอะไรแล้วเราก็มีแต่หนังสือเยอะ ดังนั้นความเชื่อในกฎตรงนี้เราจะเห็นว่าเราทำแบบพระพุทธเจ้าคงอย่างไ ม, ไม่ได้แล้วนะแต่ทำยังไงว่าทำใจได้บ้างอันนี้มันคือเรื่องของธรรมดานอนป่วยก็ต้องเตรียมใจไว้ว่าหายก็ได้ตายก็ได้แต่ถ้าเราคิดได้ดีนะฮะอย่างที่ท่านแสดงไว้ในอุทานธรรมได้ว่า คิดถึงความตายสบายนักมันหักรักหักตลงในสงสารมันเทามืดโมหันอันตการทำให้หารหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจเมื่อก่อนก็พบกระลุกสิทธิ์เขาเป็นเป็นมะเร็งอาการรุนแรงมากนะเขาเขาคั่นก็หนักมากแต่เขาก็มีความรู้สึก ว่ามีญาติมาพบมีคนนั้นมาเยี่ยมคนที่ตายไปแล้วนะมาพบมาเยี่ยมมาอะไ ร, ะไรแต่เขาก็ไม่ได้ติดใจสนใจเอสนใจอะไรคือเป็นคนที่ศึกษาทำปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กๆมีความพร้อมจะอยู่ก็ได้ไปก็ได้ก็ไม่ว่ากันทีนี้สมุทัยเนี่ยมันเป็นโทษที่ชัดเจนแต่ว่าเราไปละมันเลยทีเดียวนี่ไม่ไหวหล้วคือทอํายังไงว่าลดกรรมตัณหาลงไปไนดะ้ จิตสภาพจิตที่มันดิ้นรนทะเยอทะยานอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างนั้นเนี่ ย, ยนนนคือมันอยากได้กันจนน่ากเกลียดให้เราสังเกตว่าศา ส, สนาพุทธไม่ใช่ปฏิเสธไม่อยากได้แต่ว่าทํายังไงว่าอย่าใช้กิเลสหรืออย่าใช้อารมณ์นะอย่าใช้อารมณ์ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นและอย่าใช้แรงดันของกิเลสมากเกินไป เราไม่ต้องอื่นไกลหรอกพวกกรรมมาคุณทั้งหลายเนี่ยถ้าเราอยากได้โดยไม่ยอมให้นคนอื่นได้ด้วยและในที่สุดมันจะยื้อแย่งกันมันจะต่อสู้ประหารประหารกันซึ่งหมายความทุกคนต้องลดกา ร, รมอัตนาลงแล้วก็ประนีประนอมการประสานประโยชน์กันหาจุดกลางทางความคิดที่จะมีจุดมาพบกัน ไม่ใช่ว่าดึงดันจะเอาแต่ใจตัวเองหรือเอาชนะเป็นประการสําคัญแท้ไม่ได้คือปัญหานั้นที่จริงเป็นกิเลสประเภทสร้างใหเราตั้งเกตดนะเป็นกิเลสประเภทสร้างเราอยากได้เราอยากมีเราอยากเป็นแล้วก็ทําทําให้เกิดได้เกิดมีเกิดเป็นขึ้นบางครั้งบางคราวก็ต้องลงทุนลงแรงสแสวงหาความรู้สแสวงหาเงินทองสแสวงอะไรต่วอะไรนี่หลายหลายเดือนหลายปีนะฮะ อย่างเคยสังเกตว่าคนบางคนเพิ่งสร้างบ้านเมื่อตอนกเกษียณเพิ่งสร้างบ้านอยู่อาศัยได้เมื่อตอนกเกษียณแล้วก็แสดงว่าอยู่ไม่กี่ปีนะฮะอยู่ไม่กี่ปีบ้านยังใหม่ๆอยู่ตัวเองก็ตายแล้วแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเราอยากได้แต่ว่าเราก็ควบคุมทิศทางทิศทางของการแสวงหาให้ลองสังเกตว่าพวกศีลและสิกขานะะ สีทศกิขาถ้าเราเกาะกลุ่มในระยะมกกักไปจะเห็นว่าสัมมาวาจาสัมมากระมันตะสัมมาชีวะมันอยู่ในพวกศีลพวกนี้เป็นเรื่องของการคุมกามาตันหาไม่ทําอะไรเป็นทา่าของกามาตันหาการพูดก็ไม่มีปัญหากา ร, รปฏิบัติตนเองก็ไม่มีปัญหาและการเลี้ยงชีพก็ไม่มีปัญหา ตรงนี้เราทำได้แค่บันเทาเราละเราดับเขาไม่ได้หรฮกแต่ว่าดับในบางกรณีนะได้พยายามดับในบางกรณีความอยากในวัตถุบางสิ่งถ้าดับได้ก็ดีแต่การพยายามฝึกไปเพราะว่าสมุทัยนั้นไปใส่เชื้อมันไม่ได้ไปเป็นไฟอ่ะนะไปเสื้อไปใส่เชื้อมันมากไปได้เราพยายามที่จะลดความรุนแรงก็บนลงไปทต้องฝั่งตั้งหลาย และหวงพระพุทธยาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเปหลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงดงามไปบูรณนธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี